อย่างหนึ่งท่านเรียกเพื่อแสดงคุณสมบัติของรูปธปาตุว่าเนคข ม, มทธาตุเนคข ม, มาธาตุนี้เป็นเหตุให้ออกจากกามกามรมแล้วถัดมาธาตุที่สองเรียกว่าอรูปธาตุธาตุนี้เป็นเหตุให้ออกจากรูปแล้วธาตุที่สามเรียกว่านิโรธททาตุธาตุนี้เป็นเหตุให้ออกจากสังขตะ ถ้าพูดเป็นบาลีอย่างนี้เรื่องชักจะยุ่งขึ้นทุกทีจะต้องพูดเป็นไทยจะดีกว่าคือว่าถ้าเรามองเห็นเนคขมธาตุก็จะเป็นเหตุให้ออกจากกามกามอารมณ์หมายความว่าเรามองเห็นสิ่งที่ตรงข้ามจากกามเห็นธาตุชนิดที่ตรงข้ามจากกามเรียกว่าเห็นเนคขมธาตุเห็นกามเป็นไฟแล้วก็ไม่ถูกไฟนั้นเผา คือตรงกันข้ามอย่างนี้เรียกว่าเนคขมธาตุจิต ท, ที่น้อมไปสู่การออกจากกามนี้เรียกว่าประกอบอยู่ด้วยเนคขมธาตุทิศนิสัตทั้งหลายที่พ้นไปจากกามได้นั้นไปติดอยู่ที่ของสวยงามสนุกสนานที่ไม่เกี่ยวกับกามแต่ว่ายังเกี่ยวกับรูปคือรู ป, ปรธรรมที่บริสุทธิ์อย่างพวกฤาษีมุนีโยคี ติดความสุขในรูปประชานเหล่านี้เป็นต้นหรือบางทีเราเห็นคนแก่ๆบางคนติดในเครื่องลายกรามต้นบอนต้นโกศลอะไรไม่เกี่ยวกับกรามแล้วหลงหลายยิ่งกว่ากรามก็มีอย่างนี้ก็สงเคราะห์เรียกว่าเป็นพวกติดอยู่ในรูปเหมือนกันออกจากรูปไม่ได้ถ้าจะออกจากรูปให้ได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องอรูปธาตุคือธาตุที่เป็นไปเหนือรูป นี้มันจะไปติดอะไรถ้ามันหลุดรูปไปได้ไม่ติดรูปหลุดรูปไปได้ก็ไปติดสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทั่วทั่วไปที่มากไปกว่านั้นข้อนี้ก็ได้แก่กุศลธรรมทั้งปวงอกุศลธรรมเราอย่าพูดถึงก็ได้เพราะมันไม่มีใครเอาเพราะมีแต่คนเกลียดแต่กุศลทั้งปวงที่ปรุงแต่งให้เป็นคนดีวิเศษเกิดในสวรรค์ ฝันกันไม่มีที่สิ้นสุดนี้เรียกว่าสังคตะคือสิ่งปรุงแตง่ง ค, คนเราก็มัวเมาอยู่แต่ที่จะเป็นตัวตนเป็นของของตนเป็นตัวตนอย่างสัตว์เดรัจฉานไม่ดีก็เป็นอย่างมนุษย์เป็นอย่างมนุษย์ไม่ดีก็เป็นอย่างเทวดาเป็นอย่างเทวดาไม่ดีด <Gleich S 1> ก็เป็นปอย่างพรหมเป็นอย่างพรหมไม่ดีก็เป็นอย่างมหาพรหม แล้วก็มีตัวตนอยู่เรื่อยอย่างนี้เรียกว่าสังขตะทั้งนั้นต่อเมื่อเข้าถึงนิโรธทธาตุมันจึงจะออกจากสังขตะได้นี่แหละทาตสุดท้ายเป็นนิพพานธาตุคือเป็นที่ดับสิ้นแห่งตัวกูและของกูถ้าดับได้สิ้นเชิงจริงๆก็เป็นพระอระหันต์เรียกว่าอนุปาทิ่เสสนิพพ า, านธาตุ ถ้ายังดับไม่ได้สิ้นเชิงก็เป็นพระอริยเจ้าที่รองรองลงมาเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพนธาตุคือตัวกูยังมีเชื้อเหลืออยู่บ้างไม่ว่างทีเดียวหรือมันว่างได้แต่มันไม่ถึงที่สุดไม่ใช่ปรมังสุย่างรวมความแล้วเราจะต้องรู้ธาตุคือหมายถึงส่วนประกอบแท้จริง ของสิ่งทั้งปวงนี้ให้เข้าใจในลักษณะอย่างนี้คือว่าโดยหลักใหญ่แล้วมันจะมีอยู่คือรูปประธาต์ธาต์ที่มีรูปเอารูปประธาต์ธาต์ที่ไม่มีรูปและนิโรธาต์ธาต์ซึ่งเป็นที่ดับทั้งของรูปและอารูปอย่างนี้แล้วกล้าท้าว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่นอกไปจากคำสามคำนี้เนี่ยหละ เรารองเรียนวิทยาศาสตร์อย่างของพระพุทธเจ้ากันบ้างที่มันครอบงำทั้งฝ่ายกายฝ่ายจิตและฝ่ายวิญญาณเป็นเหตุให้เรารู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมดครบถ้วนจริงๆเราจึงเรียกว่าเรารู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจริงจึงจะไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงได้อีกต่อไปไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงนั้นคือว่างความว่างของพุทธศาสนาเรา มันต้องมีความหมายอย่างนี้